ท่านเดินทุดดงไปมาแล้วแทบทุกภาคเมื่อออกพรรษาปีพุทธศักราช2485แล้วท่านก็กราบลาท่านพระาจารย์มั่นออกเที่ยวทุดดงไปตามสถานที่ต่างๆช่วงแรกๆท่านวนเวียนอยู่ในรัศมีของท่านพระาจารย์มั่นพักอยู่ที่ป่าช้าบ้านนาสีนวนบ้างดอยธรรมเจดีบ้างหนองน้ำเข็มบ้างเข้าไปทางอุดร อ, อุบลมุกดาหาร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 ท่านจากภาคตะวันออกอันเป็นบ้านเกิดมานานเป็นเวลา8ปีแล้วเฝ้านึกถึงบุญคุณของบิดามารดาอยู่อยากจะทดแทนคุณของท่านด้วยอัดด้วยธทมแทนข้าวน้ําปลาอาหารทรัพย์สินเงินทองประกอบกับทราบว่าโยมมารดาป่วยจึงเป็นโอกาสดีที่จะโปรดโยมมารดาท่านจึงทุ่ดองย้อนกลับมาทางจังหวัดจัทนทบุรีมาที่เนินเขาแจ้ว แล้วเดินทางต่อไปยังวัดสายงามบ้านหนองบัวอเอเมืองจังังจันทบุรีอยู่สองปีปีพุทธศักราช2490เรากลับจากคูบาจารย์มั่นแล้วตอนนั้นจะพิจารณาอะไรก็รวดเร็ว ด, ดังใจใจมีหลักแน่นอนไม่กังวลอะไรพอดีมาพบท่านพระอาจารย์จยันเขมปะโตและท่านพระอาจารย์มหาทองสุกสุกิตโต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 จิงเดินทุ ด, ดงไปทางภาคใต้อันเป็นสถานที่ที่ท่านพ่อลีเคยไปประกาศศาสนธรรมมาแล้วเมื่อลงทางภาคใต้เข้าไปพักที่วัดมเหิยงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วทุดงต่อไปยังจังหวัดชุมพรจาพัรษาที่จังหวัดชุมพรหนึ่งพรรษาอาศัยอยู่ตามถาม้ำตามป่าเข้าไปภาวนาในถ้ำแห่งหนึ่งใกล้ๆจังหวัดชุมพรชื่อว่าถ้ำขวัญเมือง อยู่ที่นี่นานหน่อยตกแต่งถ้ำมีกำนันและมีคนเข้ามานับถือมากนิมนเราเป็นเจ้าอาวาสเขาบอกว่าจะหาเงินมาช่วยสร้างวัดเมื่อเราเห็นเป็นดังนั้นกลัวจะเป็นพาระผูกพันจึนทุดงต่อไปยังจังหวัดสงขลาไปทางอาเภอหาดใหญ่อาเภอนามหม่อมวัดขวรมิตรบ้านพุวัดควรจงแล้วไปนิมิตถึงท่านพระอาจารย์มั่นที่บ้านพุปัจจุบันเขาเรียกว่าห้วยยาง ชื่อว่าวัดก่อไม่พ่อการทุดงในทางภาคใต้ในคราวนี้คือราวพุทธศักราช 2,492 ปีที่ทุดงไปทางภาคใต้นั้นเป็นปีเดียวกันกับที่ท่านพระอาจารย์มั่นมรณาภาพวันที่ท่านพระอาจารย์มั่นมรณาภาพนั้นเกิดในมิตรว่าเห็นท่านพระอาจารย์มั่นนอนเปลือยกายอยู่ในนิมิตนั้นชัดเจนมาก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 และทำให้ได้ทำให้ดีถ้าไม่ดีทำให้มันจนดีจนได้จนพอใจจึงจะยอมหยุดเมื่อเกิดในมิตรในตอนกลางคืนพอตอนเช้าในวันนั้นนั่นเองได้ออกเที่ยวบินท บ, บาทก็ได้ถามลุงกายก่อนแล้วว่ามีข่าวท่านพระอาจารย์มั่นบ้างไหมแจบอกว่าไม่มีเราก็เอ๊ะอยู่ภายในใจลึกๆสักประเดี๋ยวท่านพระครูก็ให้คนมาบอกว่า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 อีกครั้งหนึ่งและโยมมานดาก็เสียชีวิตในปีพุทธศักราช2493ท่านพ่อลีจึงนิมนต์ให้เรามาสร้างวัดเขาแจ้วตำบนท่าช้างจางังหวัดจันท บ, บรุรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493เป็นต้นมาเรื่องราวตอนหนึ่งที่เขียนจารึกไว้ในประวัติวัดเขาแจ้วว่าท่านพระอาจารย์เกี้ย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 พื้นที่ในบริเวณวัดท่านก็พัฒนาจนเป็นรมณียสถานน่าอยู่น่าอาศัยมีผ ล, ลไม้ดกหนาหน่าดูน่าชมเช่นเงาะกระท้อนผู้เรียนพระอุโบสถก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถของท่านที่สร้างไว้ที่วัดเขาแจ้วเมื่อท่านสร้างพระอุโบสถเสร็จท่านก็จัดฉลองนิมนต์พระกรรมฐานมาอย่างยิ่งใหญ่นับว่าท่านพระอาจารย์เกี้ยเป็นผู้มีคุณูปการต่อวัดเขาแจ้วเป็นที่สุด หลังจากนั้นท่านก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พันยศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระครูชั้นโทที่พระครูสุดที่ทำรังสีท่านพักอยู่ที่วัดเขาแจ้นนี้มีผู้มาสนทนาธรรมอยู่เสมอเสมอแม้ราชวงศ์ชั้นสูงก็มากราบท่านเช่นพระนางรำไพพันนีมัมบัวแม้สมเด็จพระนางเจ้าพมรรมราชินีนาถ ก็ไดอรารัธานานิมนต์เพื่อทำพัตกิตในพระราชวังเช่นเดียวกันนอกจากท่านจะเป็นที่พึ่งทางธรรมแก่ประชาชนญาติโยมแล้วยังเป็นหนึ่งในเพชรเม็ดงามสายกรรมฐานของพระอาจารย์มั่นในบางคราวที่พักอยู่ที่วัดเขาแจ้วกูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานมักจะแวะเยี่ยมรรมาชากัดฉาสนทนาธรรมกับท่านเสมอๆเอช่นหลวงปู่หลุยจันทสาโร หลวงปู่ชอบฐานะโมหลวงปู่เรียนวรราโภหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระอาจารย์บันอุตตโมพระอาจารย์จวนกุลเชิดโถพระอาจารย์สุวัตสุวจโจพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมบวโรหลวงพ่อพุทธานิโยโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์บันพระอาจารย์จวนพระอาจารย์สิงห์ทองท่านเหล่านี้เคารพรักท่านเป็นพิเศษ ไม่อยู่ครั้งหนึ่งท่านเล่าว่าในงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์ฟั้นอาจารโรพระอาจารย์วันท่านเป็นองค์แสดงธรรมเมื่อพระอาจารย์วันขึ้นไปบนธรรมาฏเหลือไปเห็นเรานั่งอยู่ไกลๆท่านรีบลงมาจากธรรมาฏทันทีแล้วดิ่งเข้ามากราบเพื่อแสดงคารวะธรรมจึงขอโอกาสขึ้นแสดงธรรมในระหว่างที่เราอยู่วัดเขาแก้วนี้ได้สร้างวัดถวายหลวงตามาหาบัว ที่สถานีทดลองการเกษตรแหลงสิงห์จังหวัดจันทบุรีกมที่347ซึ่งท่านพระอาจารย์มหาบัวก็ได้นำโยมมารดามาพักจำพรรษาที่วัดแห่งนี้หนึ่งพันษาด้วยปีพุทธศักราช2504ถึง2506ท่านพระอาจารย์เกีย้ยได้ไปจำพรรษากับหลวงตามหาบัวที่วัดตามบ้านตาไปช่วยหลวงตาปลูกต้นไม้ดูแลเรื่องป่า ตลอดจนสร้างเสนาสนะในยุคแรกเริ่มท่านหลวงตามหาบัวได้เล่าความตอนหนึ่งถึงหลวงปู่เชี่ยวไว้ว่าท่านพระจารย์เกี้ยรเป็นพระดีมากนะบริขารของหลวงปู่มั่นท่านพระจาันเกียรนี่เองเป็นผู้รักษาเป็นประจํานะตั้งแต่ไหนแต่ไรนะอุ้ยท่านละเียดละออมากนะไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรของหลวงปู่มั่นแล้วใครไปแตะไม่ได้นะ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 ฟังสินะตถาคตองค์เดียวนอกนั้นเป็นนิสัยของตัวเองทุกคนจําไว้ว่านิสัยคือไม่ได้กระเทือนถึงธทำถึงวินยัยเป็นกิริยาความเคยชินของแต่ละรายละรายแสดงออกเองไม่ผิดธรรมผิดวินัยนั้นเรียกว่านิสัยอย่างหลวงปู่เจี้ยนี่ท่านก็เป็นนิสัยบงบงเบงเบ ง, งนี่เรียกว่าเป็นนิสัยอันนี้อันหนึ่งนะ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 ล ะ, ละเอียดละออทุกอย่างไม่งั้นแล้วท่านจะเข้าไปหาพ่อแม่ครูจารมั่นไม่ได้ง่ายๆนะกริยาอย่างนี้จะเข้าไปหาท่านไม่ได้พูดง่ายๆนะแต่ทำไมถึงสนิกันเหมือนพ่อกับลูกเลยอาจารย์เกียกับพ่อแม่ครูจารมั่นเวลาเข้าหากันนี้เหมือนพ่อกับลูกกริยาบงเบงบงเบงแบบนี้ธรรมดาเข้าหาท่านไม่ได้นะแต่ทาไมท่านอาจารย์เกีย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 การภาวนาของผมนี้รอดพ้นได้แล้วนะคําว่าเจี๊ยเจี๊ยนี้ไม่คืนมาอีกแล้วเพราะภาวนาสมัยนั้นไปอยู่กับหลวงปู่มั่นที่วัดโนนิเวศ ท, ท่านพระอาจารย์จันทาจึงถามอีกว่าโลกสามไม่กลับคืนมาอีกแล้วหรือปู่ท่านพระอาจารย์เจี๊ยบจึงตอบว่าไปเลยแหละไม่คืนมาเป็นที่ฆ่าราฆ่าตัญหาของใครอีก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 พุทธศักราช2518ท่านก็ได้กลับไปที่วัดเขาแก้วอีกพักอยู่เขาแก้วได้ไม่นานนักทราบข่าวว่าลงปู่ขาวป่วยหนักท่านจึงละทิ้งภาระทั้งปวงกลับไปยังจังหวัดอุดรธานีเพื่ออุปถากหลงปู่เขาอนาลโยซึ่งเป็นพระที่ท่านเคารพสูงสุดรูปหนึ่งเมื่อลงปู่ขาวอาการอาภาษดีขึ้นแล้วท่านก็ย้อนกลับมาที่วัดอโศกา ร, ราม เนื่องจากพระกรรมฐานที่เป็นศิทธิ์สายท่านพระอาจารย์มั่นที่มีหลักจิตใจมีน้อยท่านอยู่ที่วัดอโศการามได้ไม่นานนักสำเร็จพระญาณสังบลได้นิมนต์ท่านไปจําพรรษาที่วัดยานสังมรารามอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสองพรรษาพรรษาที่ท่านจําที่วัดยานสังวรารามนี้ท่านอบรมลูกศิษย์ทางภาคปฏิบัติแบบเข้มข้นตามแบบที่ท่านพระอาจารย์มั่นสอนมา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 ท่านพระอาจารย์เกียเล่าว่าพระทุกวันนี้มักติดรูปแบบในการปฏิบัติมากกว่าการปฏิบัติจริงเพื่อถึงความพ้นทุกข์ดังคำที่ว่าโลกชอบแต่ทมชังหรือทมชอบแต่โลกชังเหตุเพราะว่าทุกๆคนมองแต่กิริยาภายนอกอันเป็นไปตามแบบสบายๆเมื่อเป็นดังนั้นท่านจึงสลดใจออกเที่ยวทะดงไปยังที่ต่างๆ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 ออกจากห้วยปลาหลุดแล้วท่านก็เดินทางไปที่ถ้ำอินท น, นินถ้ำอินท น, นินน์นี้ท่านเคยปารบไว้ว่าถ้าหากท่านตายให้ลูกศิษย์หามท่านมาตายที่ถ้ำอินท น, นินนี้ท่านพระอาจารย์เกี้ยรท่านชอบเที่ยวภาวนาตามป่าตามเขาตามถ้ำตามเนื้อผาแต่โดยที่สุดแล้วท่านก็จะย้อนกลับมาที่วัดอโศกา ร, รามอันเป็นเสมือนวัดแม่เพราะท่านถือว่าท่านพ่อลี เป็นบุพผาจารย์ของท่านเมื่ออยู่วัดอโศกา ร, รามได้พอสมควรแล้วปีพุทธศักราช 2,527 คณะ ส, สิทธยานนสิ์ของท่านหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนได้ถวายที่ดินที่บ้านคลองสะตำบลคลองควายอํเาเภอสามโคกจังหวัดประทุมธานีแก่หลวงตาหลวงตาก็ได้พิจารณาว่าพระที่เหมาะสมสมควรเป็นครูบาอาจารย์ก็คือ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 แต่ท่านยังแสดงนิสัยอาหารอาชาในควรแจ ก, การจาักราระบูชาสมเป็นพระมหาเถระผู้เท่าเป็นรัตตัญญูพระมหาเถระผู้ทรงคุณเช่นนี้เป็นผู้อันใคร่ใครไม่พึงดูหมิ่นได้แต่สำหรับธรรมะภายในของท่านนั้นสว่างสดใสสุดที่ใครๆจะบังอาจคาดเดาได้ท่านได้ก่อสร้างเสนาสนะ ที่วัดป่าภูริทธตาปฏิปทารามนี้ไว้มากหลายศาลาใหญ่กุฏิสง์กุฏิปฏิบัติธรรมสำหรับขราวาดและที่สำคัญภูริ ธ, ธัตเจดีสำหรับบรรจุพระธนตาาติของท่านพระจารมั่นผู้เป็นบุรพาจารย์เป็นผลงานที่ท่านภูมิใจเป็นที่สุดเพราะนั่นคืออาจาริยบูชาปฏิปทาของท่านพระจารกี้อาจจะแตกต่าง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 แต่ท่านผู้ที่มีกายวาจาและใจสงบนั่นแหลเราตถาคตจึงเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้สงบอย่างแท้จริงและเป็นผู้คลายจากความลุ่มหลงในโลกทั้งปวง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 อโหสิกรรมด้วยเทินพระมหาธีรนาธอคธีโรผู้เขียนเรียบเรียง18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545